พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่สิบสามพระสูตรที่สิบเจ็ดจารุมาสูตรสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในตำบลบ้านชื่อจารุมาพระผู้มีพระภาคประทับณ ป, ป่ามะขามป้อมใกล้ตำบลบ้านชื่อจารุมาตรัสสั่งพระนามหรือขับไล่ภิกษุประมาณห้ารรูปที่เดินทางมากับพระสาวรีบุตรและพระโมคคัลลานะ มาถึงหมู่บ้านจาตุมาก็ส่งเสียงเอะอะปราสัยร่าเริงกับภิกษุเจ้าถิน่นบรรดาเจ้าสากักยะชาวบ้านจาตุมาส่งทราบจึงไปกราบทูลขอให้ทรงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์เพราะมีบางรูปบวชใหม่เมื่อไม่ได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคก็จะปรนแปรไปเปรียบเหมือนพืชอ่อนไม่ได้น้ำหรือลูกโคอ่อนที่ไม่เห็นแม่ เท้าสหัมบดีพรมก็มากราบทูลขอให้ส่งอนุเคราะห์ด้วยอ้างข้ออุปมาในทํานองเดียวกันเป็นอันบรรดาเจ้าสักยะชาวบ้านจานตุมาและเท้าสหัมบดีพรมทำให้พระผู้มีพระภาคทรงพอพระหฤทัยได้พระมหาโมคลานะไปบอกให้ภิกษุเหล่านั้นมาเฝ้า พระผู้มีพระภาคตรัสถามพระสารีบุตรว่าเธอคิดอย่างไรเมื่อเราประนามภิกษุสงฆ์พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงขวนขวายน้อยประกอบการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันแม้เราก็จะขวนขวายน้อยประกอบการเป็นสุขในปัจจุบันบ้าง ข้อนี้ความหมายคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมู่คณะพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นก่อนแล้วจึงตรัสถามพระมหาโมคคลานะบ้างพระเทระกราบทูลว่าข้าพระองค์คิดว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงควรขวายน้อยประกอบการอยู่เป็นสุขในปัจจุบันบัดนี้เราและสารีบุตรจะบริหารภิกษุสงฆ์เอง พระผู้มีพระภาคจึงประทานสาธุการรับรองว่าเราคือพระองค์เองหรือสารีบุตรกับโมฆลลานะพึงบริหารภิกษุสงฆ์ได้ครั้นแล้วสอนภิกษุทั้งหลายถึงภัยสี่ประการที่พึงหวังได้ในการลงน้ำคือ 1. คลื่น 2. จระเข้ 3. วังวน 4. ปลาร้ายทรงเปรียบความไม่อดทนต่อโอวาดเมื่อเข้ามาบวช ด, ด้วยภัยคือคลื่นทรงเปรียบความเห็นแก่ปากแก่ท้องด้วยภัยคือจอระเข้ทรงเปรียบกามคุณห้าด้วยภัยคือวังวนและทรงเปรียบมาตุคามหรือสตรีด้วยปลาร้ายว่าเป็นภัยอันภิกษุผู้บวชในพระธรรมวินัยนี้ พึงหวังได้หมายเหตุ head, พระสูตรนี้แสดงว่าพระผู้มีพระภาคทรงให้บทเรียนแก่ภิกษุผู้ส่งเสียงอืออึงเหล่านั้นอย่างแรงแต่เมื่อมีเหตุผลสมควรก็ทรงเลิกการลงโทษคือไม่ใช่ลงโทษให้เสียคนแต่ให้กลับตัว